เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยธรรมะที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คือเรื่องความรู้ที่คนในโลกนี้ ไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองความรู้นี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองคืออะไรก็คือพระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักซึ่งเป็นความรู้ที่จะสามารถทำให้ผู้ที่พบกับความรู้นี้ ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้เข้าถึงพระนิพพานได้คนที่จะสามารถเข้าถึงความรู้อันนี้ได้ น, นั้นมีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นคือคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระโพธิสัตว์นี่เอง พระโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ที่มีบารมีพร้อมที่จะเข้าถึงความรู้อันประเสริฐสี่ประการนี้ได้เพราะได้บำเพ็ญบารมีต่างๆมาอย่างมากมายจนถึงเวลาที่บารมีทั้งหมดที่ได้สะสมมาจะครบบริบูรณ์ บารมีสิบประการที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ละชาติก็มี 1. เมตตาบารมี 2. ทานบารมี 3. สศีลบารมี 4. ี่นิค ม, ม้บารมีหอุเบกขาบารมี 6. ปัญญาบารมีเจ็ดอธิษฐานบารมีแปดสัจจบารมีเก้าิลยาบารมีและสิบหันติบารมี mm hmm. นี่คือบารมีต่างๆที่พระโพธิสัตว์ผู้ที่ปรารถนาพระนิพนพาน ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยตนเองจำเป็นที่จะต้องมีบารมีเหล่านี้เมื่อมีบารมีเหล่านี้ครบบริบูรณ์เมื่อไหร่ก็สามารถเข้าถึงพระอริยสัจสีได้อย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์ ที่ได้บำเพ็ญบารมีต่างๆมาจนถึงวาระสุดท้ายในภพชาติสุดท้ายคือตอนที่ได้มาเป็นพระราชม า, เช า, ชาสเดท้ายก็สามารถที่จะออกบวชได้เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่า การเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามมาเป็นธรรมดา mm hmm. ก็เลยสละราชสมบัติออกบวช mm hmm. บำเพ็ญบารมีต่างๆต่อไป mm hmm. เวลาบวชก็บำเพ็ญศีลบารมีเวลาสละราชสมบัติก็บำเพ็ญทานบารมีแล้วเวลาบวชแล้วรักษาศีลได้แล้วก็บำเพ็ญ อุเบกขาบารมีด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบพอจิตนิ่งอยู่ในความสงบก็เกิดอุเบกขาบารมีขึ้นมาแล้วพอออกจากสมาธิก็บำเพ็ญปัญญาบารมีด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐาน ว่าจะใช้ปัญญานี้วิเคราะห์พิจารณาหาเหตุของความทุกข์ใจและหาวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปให้ได้ด้วยความอุตสาหะวิริยะความภาคเพียรและด้วยขันติความอดทนอดการ้นต่ออุปสรรคที่คอยกีดขวาง ในการที่จะทำให้เข้าถึงพระอริยาาสัจสี่นี่ได้แล้วในที่สุดก็ส่งเข้าถึงพระอริยาาสัจสี่ได้ค้นพบสาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรและค้นพบวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างไร เมื่อสามารถค้นพบวิธีกำจัดความทุกข์ใจได้ก็สามารถทำให้ความทุกข์ใจที่เคยมีในใจมาเป็นเวลาอันยาวนานนี้หมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีวันกลับมาอีกต่อไปไม่มีวันที่จะพาให้ใจของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนั้นไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆได้อีกต่อไป เพราะปัญญาอันเลิศอันประเสริฐที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองทำไม่สามารถเข้าถึงพระอริ ย, ยสัจสี่นี้ได้นี่แหละคือทมที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา พวกเราจะไม่รู้จักพระอริยสัจสี่เลยว่าเป็นอะไรและมีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไรแต่พวกเราถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนามีบุญที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นคว้า ได้ท่งคนพบได้ด้วยพระองค์เองหลังจากที่พระองค์ได้ทรงคนพบแล้วนี้มันก็เป็นสิ่งที่ง่ายสาหรับพวกเราที่มีบารมีไม่มากเหมือนกับพระโพธิสัตว์แต่ก็สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้เพราะมีผู้บอกพระอริยสัจสี่ให้กับพวกเราและสอนวิธี ที่เราจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะทําให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราภบชาติต่างๆที่เราได้สะสมไว้ที่เรายังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่เรื่อยๆนั้นหมดสิ้นไปได้อย่างไรเมื่อเราได้ศึกษาและเราได้ปฏิบัติตามแล้วเราก็จะสามารถ ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้สามารถเข้าสู่พระนิพพานที่ไม่มีการยืนหว้ตายเกิดเด็กต่อไปได้ที่เป็นที่ที่มีแต่บรมสุขนิพพานังพรลังสุขขงังความทุกข์ต่างๆที่เราเคยมีเคยสัมผัสอยู่นั้นเมื่อได้ถึงพระนิพพานแล้ว จะไม่มีอีกต่อไปจะไม่มีอย่างยั่งยืนถาวรไม่เหมือนกับในขณะ น, นี้ทุกใจต่างๆที่เราได้สัมผัสมันยังมีอยู่ในใจของเรามันมาเป็นละลอกละลอกเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป แล้เดี๋ยวก็มีทุกใหม่ตามมาอยู่เรื่อยๆตามใดถ้าเราไม่ได้เข้าใจหลักของความทุกข์จากพระอริยสัจสี่เราจะไม่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มันคอยประดังเข้ามาในใจของเหล่านี้หมดสิ้นไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าเรามีพระอริยสัจสี่ ที่เราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าผ่านทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือผ่านทางพระอริยะสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรทุกที่เรามีกันอยู่นี้ ที่พูดถึงนี้หมายถึงทุกภายในใจทุกใจไม่ใช่ทุกร่างกายทุกใจนี้เป็นทุกที่เกิดจากใจของเราไปสร้างเหตุขึ้นมาเองเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือตันหาความอยากต่างๆของพวกเราความอยากนี่แหละที่ทำให้ใจเราทุกทำให้ใจเราวุ่นวายกัน เวลาอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเวลาไม่ได้ขึ้นมาก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาและขณะที่อยากได้ในขณะที่ยังไม่ได้ใจก็เริ่มทุกข์แล้วทุกข์เพราะอยากจะได้เพราะกลัวจะไม่ได้ <c oughs> ความทุกข์ที่ทําให้เป็นที่เหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์ใจนี้ ในพระอริยสัจสี 4, ท่านก็แสดงไว้อยู่สามข้อด้วยกันคือตัณหาความอยากสามข้อข้อที่หนึ่งก็คือกามัตตัณหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพัพพะข้อที่สองคือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นข้อที่สามคือวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยากทั้งสามนี่แหละเป็นตัวที่คอยทำให้เราต้องคอยดินน้นรนคอยหาสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือเราต้องการเครื่องมือที่จะมาตอบสนองความอยากของเร า, าเราเป็นใครเราเป็นใจเป็นดวงวิญญาณ เวลาที่เราไม่ได้มาครอบครองร่างกายนี้เราก็เป็นใจเป็นดวงวิญญาณที่มีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะคือการมคุณทั้งห้ามีการมวตัณหาความอยากเสษการมคุณทั้งห้าเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจนี้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เลยต้องไปเพื่อาศัยร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่จะได้ใช้ตาหูจมูกนิ้งกายของร่างกายนี้รับรูปเสียงกลิ่นรสผตพัะฑะชนิดต่างๆเข้ามาเสกนั่นเองนี่คือสาเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันคือการมาตัญหาเวลาที่ ร่างกายเก่าของเราตายไปในชาติก่อนเราก็เหลือแต่ดวงวิญญาณหรือแต่เ mm. หลือแต่ดวงใจที่มีความอยากทั้งสามอยู่ในใจความอยากทั้งสามนี้ก็เลยผลักดันให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่พอได้รับร่างกายอันใหม่แล้วก็ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ ให้ตาหูจมูกนิ้งกายของร่างกายอันใหม่นี้เป็นเครื่องมือในการรับรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะชนิดต่างๆเข้ามาที่ใจเพื่อใจจะได้เสพเพื่อใจจะได้มีความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะชนิดต่างๆเมื่อเราได้ร่างกายแล้วได้มีโอกาสได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสแล้ว เราก็ยึดติดกับร่างกาย <ening. S 2> เราก็อยากจะให้ร่างกายของเรานี้อยู่ไป น, นานๆก็เกิดภาวะตันหาขึ้นมาตอนต้นก็เริ่มที่การ ม, มาตันหาก่อน <c oughs> อยากมีรูปอยากเสพ ร, รูปเสียงกิกิจลก็ต้องไปมีร่างกายพอได้ร่างกายมาแล้วทำยังไงทีนี้ก็อยากให้ร่างกายนี้อยู่ไป น, นานอๆ lunar. อยากให้อยากให้ร่างกายมีชีวิตมีอายุยืนยาวนานอยากให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยก็เลยมาตามมาด้วยภาวะตัณหาคือความอยากอยู่และวิภาวะตัณหาความอยากให้ไม่ร่างกายตายไปอยากให้ร่างกายอยู่ไปอย่างยั่งยืนถาวรแต่ความเป็นจริงของธรรมชาติของร่างกายนี้มันไม่เป็นสิ่งที่จีรังถาวรมันเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืน มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วมีตายตามมาตามลำดับพอเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายขึ้นมาใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะใจไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั่นเองนี่แหละคือสาเหตุที่นำพาความทุกข์มาให้กับใจเรื่องต้นก็คือความหลงที่คิดว่า ความสุขอยู่ที่การได้เสพรูกเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เลยอยากจะมีร่างกายเป็นเครื่องมือพอได้ร่างกายมาแล้วก็อยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ร่างกายมันก็อยู่ไปไม่ได้นานร่างกายอยู่ได้เกินไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่มันก็ต้องถึงความสิ้นสุดลงถึงความตาย ะก่อนที่มันจะตายมันก็จะต้องแก่แล้วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่สามารถตอบตอบความอยากของของใจได้ความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกิน่นรสนี้ก็จะถูกจำกัดให้ลดเหลือน้อยลงไปตามลาดับ พอตาหูจะามุนนิ้นกายและเรี่ยวแรงของร่างกายนี้มันเริ่มลดน้อยถอยลงไปไม่สามารถพาใจให้ไปเสพ ร, รูปเสียงกิดลดในรูปแบบต่างๆได้เหมือนกับตอนที่ร่างกายแข็งแรงร่างกายมีกำลังวังชาแต่พอแก่ขึ้นมาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไปได้ที่เดียวก็คือโรงพยาบาลจะไปที่อื่นก็ไปไม่ได้ ไปหาความสุขอะไรเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตอนนั้นใจก็จะอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถึงวันตายไปพอตายแล้วร่างกายตายแต่ความอยากในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากทั้งสามนี้ยังมีอยู่มันก็จะพาให้เราไปหาร่างกายอันใหม่อีก เราก็ต้องไปเกิดใหม่อีกไปเกิดใหม่แล้วก็ต้องไปทุกข์กับร่างกายอันใหม่อีกต้องไปเกิดแก่เ จ, จ็บตายกับร่างกายอันใหม่จนถึงวันตายพอตายก็ไปเกิดใหม่อีกเพราะไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์ใจของเราที่เกิดจากการมาเกิดแก่เ จ, จ็บตายนี้เกิดจากอะไรจะทำยังไงให้มันไม่ไม่เกิดขึ้นมาไม่มีใครรู้ แม้แต่พระโพธิสัตว์ตอนต้นก็ไม่รู้ตอนที่ออกบวชก็คิดว่าวิธีที่จะทำให้ใจหายทุกข์ก็คือวิธีการของขาการเข้าสมาธิแต่การเข้าสมาธินี้ก็หยุดความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลาจิตเข้าเข้าสมาธิเข้าสู่ความสงบความทุกข์นั้นก็หยุดทางานชั่วคราวคือความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์มันหยุดทำงานชั่วคราว จิตสงบอยู่ในสมาธิจิตไม่คิดปรุงแต่งพอไม่มีคิดปรุงแต่งความอยากที่ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องมือก็ไม่สามารถทํางานได้ตอนนั้นความอยากก็ไม่ทํางานพอไม่มีความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปแต่หายไปชั่วคราวหายไปในขณะที่อยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบแต่พอออกจากความสงบมา พอเริ่มคิดเริ่มปรุงแต่งเริ่มสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถะพระชนิดต่างๆความอยากก็โผล่ขึ้นมา ท, าทันทีพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินพอคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะรับประทานพอคิดถึงละครก็อยากจะดูพอคิดถึงเพลงก็อยากจะฟังพอคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะไปอยู่กับเขาอยู่ใกล้เขาขึ้นมาความอยากมัน ก็สร้างความวุ่นวายให้กับใจเพราะเมื่ออยากแล้วก็ดูอยู่เฉยๆไม่ได้แนละ้วต้องไปทําตามความอยากพอทําตามความอยากมันก็ทําให้ความอยากนั้นสงบตัวชั่วคราวได้กินแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นได้ดื่มแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นแต่ไม่นานความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกอยากกินมาอีกอยากดื่มอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด นี่แหละคือสาเหตุที่พาให้เรามาทุกข์กันพาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆก็คือการมาตัหาเนี่ยความอยากเสพโรคเสียงกลิ่นร้โผดทาพัชชนิดต่างๆถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่ทุกข์อยากจะให้ใจเราไม่กลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ไเหมือนกับหมอที่เขาวิเคราะห์ตอนที่มีโรคระบาดว่า โรคระบาดนี้ที่ทำให้คนตายเยอะๆนี่เกิดจากอะไรในที่สุดเขาก็ค้นพบว่าเกิดจากเชื้อไวรัสเจื<ม>เรียกโควิดเนี่ยแล้วทำยังไงที่จะทำให้คนไม่ต้องตายจากโรคของเชื้อโควิดก็ต้องมียามาฆ่ามันยาฆ่ามันก็คือวัคซีนนี่ก็ผลิตวัคซีนไงขึ้นมาพ อ, อมีวัคซีนเข้าไปในร่างกายแล้ว เชื้อที่มันเคยมาทําร้ายร่างกายก็ไม่สามารถทําร้ายร่างกายได้มันก็ตายไปร่างกายก็ลอลจากความตายไปได้อย่าใดพวกเราก็เหมือนกันใจของพวกเราก็ตอนนี้มีเชื้อโรคมีโครคภัยไข้เจ็บคือความทุกข์ใจนี้เป็นโครคภัยไข้เจ็บของใจอย่างหนึ่งและสิ่งเชื้อโรคที่ไวรัสที่มาทําให้ใจของเราตายก็คือไว้ทําให้ใจของเราทุกข์ก็คือ ความอยากทั้งสามข้อนี้กามาตัญหาภาวตัญหาวิภาวะตัญห า, า, ญหาเราต้องหาวิธีกําจัดกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหานี้ให้ได้ซึ่งไม่มีใครรู้วิธีนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระพุทธเจ้าทรงคนพบวิธีที่จะทําทให้กามตัญหาภาวตัญหาวิภาวะตัญห า, า, ญ ห, าหยุดทํางานไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ ด้วยการใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า ม, มารคอริยสัจสี่มีสี่สีก็ทุกกะสมุทายนี้ทุกก็คือทุกใจสมุทัยก็คือตันหาความอยากนิโรธก็คือการทำให้ความทุกข์หายไปเครื่องมือที่จะทำให้ความทุกข์หายไปก็เรียกว่ามรคเนี่เราต้องมีเครื่องมือเหมือนมียามีวัคซีนมาต่อต้านตันหาความอยากของใจ มักซีนที่จะมาต่อต้านความอยากของใจเราเรียกว่ามักมักก็คือการปฏิบัติทำชั้นขั้นต่างๆนั่นเองอวเจ้าแบ่งไว้สามขั้นด้วยกันก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราอยากจะต้านตัวความอยากอยากจะให้ความอยากนั้นหยุดทำงานเพื่อที่จะได้ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราเพื่อที่จะได้ไม่พาเราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เราต้องมาสร้างเครื่องมือหรือมาสร้างวัคซีนนี่มาร์คนี้ก็เป็นเหมือนวัคซีนที่เราจะมาต้านไวรัสคือความอยากที่มีในใจของเราไม่ให้มันทำงานให้มันหยุดทำงานให้ได้ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบร้อยครบบริบูรณ์ศีลสมาธิปัญญานี้ก็จะไปหยุดความอยากต่างๆได้ เมื่อหยุดความอยากต่างๆได้ทุกที่เคยเกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วทุกที่เกิดจากการมาเกิดก็จะหยุดไปเพราะว่าตัวที่ทำพาให้เรามาเกิดนั้นทุกถุกมรคคือวัคซีนนี้หยุดมันต่อต้านมันไม่ให้มันทำงานได้พอเราไม่มีตัณหาความอยากทั้งสามนี้ไม่มีการมาตัณหา ไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาเพราะเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่หยุดมันืึกกำจัดมันเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเหลืออยู่ต่อไปแล้วก็ไม่มีการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเมื่อเราไม่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกมือกาย น, นี่แหละคืออริยสัจสี่ 4. ความจริงสีข้อด้วยกันที่ความจริงที่เรียกว่าความจริงที่ประเสริฐที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้เห็นได้ด้วยตนเองต้องมีคนฉลาดที่สะสมบุญบา ร, รมีที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์นี้เท่านั้นที่จะสามารถที่จะเข้าถึงพระอริยสัจสีได้ นะสามารถปฏิบัติตามความจริงในพระอริยสัจสีได้ก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคือสร้างศีลขึ้นมาในใจตอนนี้พวกเรามีศีลกันบ้างหรือยังถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องสร้างศีลขึ้นมาเริ่มต้นด้วยศีลห้า แล้วก็ตามไปด้วยศีลแปดหรือศีลสองร้อยิบเจ็ดถ้าอยากเป็นนักบวชก็ไปบวชเป็นพระก็สองรอยิบเจ็ดถ้าบวชเป็นแม่ชีก็ศีลสิบหรือศีลแปดหรือถ้ายังไม่บวชก็ใช้ศีลแปดเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปก่อนศีลเหล่านี้เป็นศีลที่จำเป็นต่อการที่จะทำให้เราสร้างสมาธิขึ้นมาพอเรามีศีลเราก็จะสามารถ มีเวลามีกําลังที่จะไปสร้างสมาธิขึ้นมาได้เราจะมีจะเวลาเจริญสติมีเวลานั่งสมาธิ mm hmm. ถ้าเรานั่งบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆจิตก็จะสงบบ่อยๆจิตก็จะเข้าสมาธิได้พอจิตเข้าสมาธิได้จิตก็จะหยุดความอยากได้ชัว่วคราว mm hmm. เพราะจิตมีอุเบกขาจิตนิ่งจิตสงบจิตไม่ปรุงแต่งจิตรู้เฉย แนะพอออกจากสมาธิมาพอเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาสอนใจให้รู้ว่านี่แหละคือตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่าไปทําตามมันเพราะมันจะทําให้เราทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทุกเพราะอะไรเพราะมันเป็นของชั่วข่าวเป็นความสุขชั่วข่าวเแลนรูปเสียงกิ่นลสที่เราอยากจะเสพนี่ มันเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้เสพเราก็จะมีความรู้สึกสุขเดียวสักพักหนึ่งความสุขที่ได้นั้นก็หายไปพอเราไม่ได้เสพมันความสุขนั้นก็หายไปความอยากที่จะเสพมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆมันจะไม่หายไปตามที่เราทำตามความอยากวิธีที่จะทำให้มันความอยากหายไปก็คือเราต้องไม่เสพมันไม่ทำตามความอยาก การที่จะไม่ทาตามความอยากก็ทงเห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากจะทำให้เราทุกข์มากขึ้นไปกว่าเดิมเพราะความอยากมันจะมีเพิ่มมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหมดเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอมันหมดไปมันก็ทำให้เราเศร้าทำให้เราทุกข์อีกแล้วทาให้เราเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ พอเราใช้ปัญญาหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจของเราพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจของเราก็สงบเย็นสบายอิ่มอิ่มด้วยความพอเพราะว่าตัวที่ทำให้ไม่พอก็คือความอยากพอตัดความอยากไปได้หยุดความอยากได้ความอิ่มความพอก็ปรากฏขึ้นมาใ น, ในใจของเรา ความสุขที่เกิดจากความอยูงความพอก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่เราเรียกว่าบรลมบา ม, มสุขบาลมังสุ ข, ขังอา <Yeah. S 1> น, นิพานก็คือจิตที่ปราศจากความอยากต่างๆนี่จิตใจของเราจะปราศจากความอยากได้ก็ต้องใช้มร ค, คือศีลสมาธิปัญญาดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะพ้นทุกข์อยากจะเข้าอนิพาน อยากจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราต้องมาสร้างศีลสมาธิปัญญากันเบื้องต้นก็สร้างศีลขั้นต่ําไปก่อนอะไรยังไม่มีศีลเลยก็รักษาศีลห้าให้ได้ก่อนแล้ววันพระก็มารักษาศีลแปดแล้วก็เอาเวลาที่เรารักษาศีลแปดนี้ในวันพระวันที่เราไม่ต้องไปทํางานมาสร้างสมาธิมาสร้างปัญญากันทําอย่างนี้ไปก่อนทีละเล็กทีละน้อย แล้วต่อไปก็เพิ่มให้มากขึ้นไปปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นไปจากอาทิตย์ละวันก็เพิ่มเป็นสองวันเพิ่มเป็นสามวันเพิ่มเป็นสี่วันเพิ่มมันไปเรื่อยๆตามกําลังของสมาธิของปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาที่เราหลับเท่านั้นเพราะเราปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลายกเว้นที่เราหลับความอยากต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมาก็จะถูกกาจัด ให้หมดสิ้นไปจากใจได้พอความอยากหมดความทุกข์ก็หมดไปจากใจความสุขก็ปรากฏขึ้นมาเต็มเปี่ยมในหัวใจไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรอีกต่อไปนี่แหละคือความพิเศรรษของความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและเป็นคนคนเดียวในโลกนี้ที่จะสามารถค้นพบได้ ถ้าเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องถือว่าเราเป็นผู้ที่มีโชคมหาศาลเพราะนานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสัู้พระอริยสัจ ส, สีได้นี้ด้วยตนเองนี้เป็นต้องใช้เวลาอันยาวนานเป็นกับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ช่วงระยะเวลาของของแต่ละพระองค์นี้ห่างกันเป็นกับเป็นแสนล้านปีเป็นต้น แล้วการเกิดของเรานี้บางทีแล้วก็มาเกิดมาอาจจะเจอก็ได้อาจจะไม่เจอก็ได้ถ้าไม่เจอเราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเรามาได้เจอแล้วแล้วเราเข้าใจคําสอนในอริยสัจสีแล้วแล้วเราสามารถปฏิบัติสร้างมรรคขึ้นมาได้สร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้เราก็จะสามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละคือสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ประเสริฐเขาเรียกว่าอาริยะสัจแปลว่าความจริงอริยะสัจสี่ความจริงที่ประเสริฐสี่ประการเพราะความจริงที่ประเสริฐนี้จะทําให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองนี่คือเรื่องราวที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา พอเวลาของเราที่กําหนดไว้สามสิบนาทีก็ได้หมดลงแล้วให้สําหรับการฟังธรรมแล้วอีกสามสิบนาทีโดยประมาณเราจะมาปฏิบัติธรรมเราจะมาสร้างไ ว, วรัสรสร้างสร้างวัคซีนกันวัคซีนก็คือศีลสมาธิปัญญา เ, าเราได้แล้วจากการฟังเทศฟังธรรมทีนี้เราขาดศีลเราขาดสมาธิเราขาดสมาธิตา น, นี้เรานั่งเฉยๆก็ถือว่าเรามีศีลแล้ว อันนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้รักทรัพย์เราไม่แบบพุตธิธิกามเราไม่ได้พูดปดเราไม่ได้ดื่มสุรายาเมาเราไม่ได้ดูหนังฟังเพลงแสดงว่าเรามีศีลแล้วสิ่งที่เราต้องมีขั้นต่อไปก็คือต้องมีสมาธิคือใจเราต้องนิ่งต้องสงบเราต้องหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้นี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาทากันการนี้ กับเวลาระยะเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณยี่สิบกว่านาทีนี้เราจะมานั่งสมาธิคาว่าสมาธิก็คือความนิ่งสงบของใจจะใจจะนิ่งสงบได้ต้องอาศัยสติสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้าไม่มีสติคอยกากับควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งความคิดจะไม่มันความคิดจะไม่หยุดคิดมันจะคิดไปเรื่อ ย, เ, อยเมื่อมันคิดไปเรื่อ ย, อยมันก็จะไม่สงบจิตก็จะไม่สงบ ก็จะไม่เกิดสมาธิขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำํำตอนที่เรานั่งสมาธิคือเราต้องหยุดความคิดวิธีการหยุดความคิดก็ต้องผูกใจให้เราของเราให้ระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบกรรมฐานนี่ก็มีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่เรานิยมใช้กันก็มีอยู่สองสามชนิดด้วยกันคือหนึ่งการสวดมนต์นั่งสวดมนต์ไปก็เป็นการ จเจริญสติอย่างหนึง่งเรียกว่าธรมานุสติก็ได้หรือการนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธก็เรียกว่าเป็นการจเจริญพุทธานุสติหรือนั่งดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็เรียกว่าอาณาปนานสติเหล่านี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่จะก่อมใจให้เข้าสู่ความสงบให้ใจหยุดคิดถ้าเราอยากจะใจนั่งสมาธิแล้วทําให้ใจเราหยุดคิดเราต้องมีสติ คือการละเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวเวลานั่งไม่ว่าอะไรจะโผล่เข้ามาก็อย่าไปสนใจเสียงเข้ามาก็อย่าไปสนใจรูปภาพปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจความรู้สึกต่างๆปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานของเราไปแล้วแต่เราจะเลือกเอาอันไหนก็ได้บางครั้งเวลาเราเริ่มต้นถ้าเรายังดูลมไม่ได้หรือบริกรรมพุทโธไม่ได้ ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนบางทีจิตเราคิดมากคิดเรื่องนูน้นคิดเรื่องนี้ให้อยู่กับลมก็ไม่ยอมอยู่ให้อยู่กับพุทโธก็ไม่ยอมอยู่ยก็ใช้บทสวดมนต์สวดอิติปิสโสไปก็ได้สวดบทไหนไปก็ได้สวดที่เราจำได้แล้วก็สวดไปหลายๆรอบสวดไปจักรารู้สึกใจเบาใจเย็นใจเริ่มมีสติมากขึ้นใจเริ่มสงบมากขึ้น ค่อยมาดูลมหรือค่อยมาบริกรรมพุโทโธต่อไปอย่าไปอย่าทิ้งกรรมฐานนั่งไป ต, ตลอดระยะเวลาที่เรานั่งสมาธิเราต้องมีกรรมฐานผูกใจเราไว้ด้วยสติแล้วเดี๋ยวใจก็ค่อยๆสงบลงค่อยๆสงบลงและอาจจะสงบลงได้อย่างเต็มที่พอใจสงบอย่างเต็มที่ใจก็จะนิ่งสงบสบายเย็นเกิดความสุขอันมหาศาลขึ้นมา เป็นความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงนี่คือหลักการของการนั่งสมาธิที่เราจะมาทำกันต่อไปซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ23นาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ้าสงบดีก็ให้เอาสังเกตวิธีนั่งของวันนี้ไว้จดจําวิธีนั่งเอาไว้แล้วคราวหน้าก็ใช้วิธีนี้เวลานั่งก็จะสงบได้เหมือนวันนี้แต่นั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้มันจะไม่สงบด้วยความอยากมันต้องสงบด้วยวิธีที่เรานั่งในวันนี้ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังไม่พอต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากขึ้นด้วยการเจริญสติในระหว่างวัน เราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพุโทโธพุโทโธไปภายในใจหรือเฝ้าดูร่างกายเราว่ากำลังทำอะไรอยู่ทางใจของเราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นแถวหน้าเวลานั่งก็จะสงบได้มากได้ง่ายขึ้นและนานขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวารวหาปุรปาปริปุเรนตีสะกัง เอวเมวอยโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวาสมิจัตุสภิปุเรนตุสังกปาจันทุปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสพิติโยวิวาจันตุ สัพพโรโควินาศสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤิธานิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลั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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไรท้ง f a c e b o o สอง0 YouTube พระสุชาติไลฟ์สอง youtube ดรวีิวิทยุออนไลน์หคลับเฮาส์สองนาคุติร้อยสี่ิเจ็ดรวมห8 6 86, ้อยแปดหค่ะถามได้เลยถ้ามีคำถามมีคำถามฝากถามจากนาคุติค่ะก ร, ก, กราบขอโอ ก, กาสพระอาจารย์มีวิธีสังเกตความแตกต่างระหว่างจิตกับความคิดอย่างไรครับ จิตคือการรับรู้ความคิดก็คือเรื่องราวต่งางๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้จิตเป็นผู้รู้สังขารเป็นผู้คิดความคิดตรงแต่งคิดว่าจะไปนั่นดีคิดจะมานี่ดีจิตเป็นคนรับรู้แล้วก็ทำตามความคิดคิดว่าจะมาวาดัดจิตก็บ่าโอเคมาวัดก็มาก็พามาวัดกัน คำ ถ, ถามจากทาง a ฟ e b o o k คุณธงชัยค่ะตอนนี้โลภโกรธหลงลูกเบาไปมากเวลาตวาดลูกหลานแต่ใจไม่รู้สึกโกรธควรเดินมักข้อใดดีให้มันสูงกว่านี้ครับถ้ายังตวาดอยู่ก็ยังโกรธอยู่นะก็ให้มีสติมากขึ้นก่อนจะพูดจอนจะทำอะไรคิดได้ดีดูจิตแล้วว่าตอนนี้จิตเราโกรธหรือไม่ถ้าจิตเราโกรธก็อย่าไปอย่าไปพูดอย่าไปทาอะไร เราให้จิตเป็นปกติก่อนแล้วค่อยไปพูดไปทำอะไรคำถามจากคุณเด็กหญิงค่ะทางบริษัทมีการจัดของไหว้เจ้าที่เป็นประจำเฉพาะผลไม้เป็นประจำทุกวันรวมมูลค่าประมาณเดือนละสี่หมื่นบาทหลังจากถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการแบ่งของไหว้มารับประทาน แต่เนื่องจากมีปริมาณค่อนข้างมากจึงรับประทานไม่หมดผลไม้ทั้งหมดยังอยู่ในสภาพใหม่สะอาดและไม่ใช่ของเสียหากจะแบ่งผลไม้ไหวดังกล่าวมาใส่บาดพระในวัดกรุงเทพจะเหมาะสมและถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่เจ้าคะคือโดยธรรมเนียมเรานับถือพระเรารับถือผู้รับที่ว่าเป็นผู้มีศีลสูงกว่าเรา เราจะให้ของท่านเราจะนิยมให้ของใหม่ๆไม่ใช่ของเหลือเดนของที่เราไม่ใช้แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ให้ได้มันนี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับการไม่ให้ความเคารพหรือให้เกียรติกับผู้รับให้ของที่เราไม่ต้องการแล้วเหมือนขยะที่เราทิ้งแล้วอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันแต่มันไม่ได้สัมมาคารวะไม่ได้ความเคารพ ยกย่องผู้ที่เราให้ทานให้ได้เป็นของที่ไม่เสียกินได้ให้ได้อยู่อันนี้เห็นแต่ว่าถ้าอยากจะได้บุญมากกว่า น, นั้นก็คือเราก็ต้องให้ด้วยความเขาลบบุคคลที่เราเขาเขาลบเราก็มักจะให้ของดีของที่เราเหาได้ยากให้กับท่านไม่ใช่ของที่เราเหลือกินเหลือใช้แล้วเราก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ก็ เหมือนก็ให้สุนัขเนี่ยพูดง่ายๆให้ขอทานก็ให้ได้ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ได้ไม่เท่ากับการที่เราให้ของใหม่ๆของอันนี้ก็เป็นการวิธีให้มันมีหลายวิธีให้ด้วยความเคารพเนี่ยมันก็ได้บุญมากกว่าให้ด้วยการไม่มีความเคารพแม้กระทั่งเวลาใส่บาตรท่านยังให้ถอดรองเท้าเลยเพราะการใส่บาตรแล้ว แต่ใส่รองเท้านี่ถือว่าไม่เป็นการเคารพไม่ให้ความเคารพกับผู้ที่รับทานถ้าอยากจะได้บุญที่เกิดจากการมีความเคารพนับถือสามมาคารวะก็ต้องถอดรองเท้าวเวลาที่เราใส่บาตรเพราะว่าพระที่ท่านมารับบาตรท่านก็ไม่ได้ใส่รองเทา้าการใส่รองเท้านี้ถือว่าเหมือนกับเรายืงสูงกว่าท่านถือว่าเราสูงกว่าท่านดีกว่าท่านก็เหมือนกับของกินดีๆเราเก็บไว้กินเอง ของที่เหลือกินแล้วก็ให้ท่านไปอย่างนี้ก็เป็นแบบว่าไม่มีการเคารพนับถือคําถามจากทาง Facebook คุณเย็นใจค่ะเรียนสอบถามการปฏิบัติครับเวลาภาวนาพุโทโธพร้อมลมหายใจเข้าออกเวลาภาวนาพุโทโธรู้สึกนึกพุโทโธได้ไม่ค่อยชัดนึกได้เบาบางอยากสอบถามว่าลักษณะแบบนี้เราปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ต้องแก้ไขหรือไม่ครับ ก็ให้มีพุโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้นะ mm hmm. ลมจะเบาแล้วไม่เบาก็ไม่ต้องสนใจให้มีพุโทโธไปอย่างเดียวก็ได้คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะลูกอยากออกบวชชีความคิดแบบนี้เป็นกิเลสไหมเจ้าคะเป็นธรรมเพราะว่าจะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นความคิดที่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิ คำถามจากคุณเมืองสิงผลตรวจสุขภาพออกมาแล้วอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งจะวางใจอย่างไรดีครับเพื่อให้ไม่เป็นทุกข์ก็คิดว่าน่าตายเกิดมาวันแรกก็เสียงแล้วแหละบางคนอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตายอยู่ได้เจ็ดวันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มีมีความเสี่ยงที่จะตายได้ตลอดเวลา งั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้เตรียมตายวิธีการตั้งแต่เกิดดีที่สุดด้วยการเราเลิอกอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดา mm. ถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกไม่ตื่นเต้นตกใจเวลาไปตรวจเลือตร ว, ตรวอะไรก็ตามหมอเขาบอกเป็นนั่นเป็นนี่ก็รู้แล้วมันจะเป็นรู้แล้วมันตั้งแต่วันเกิดแล้วพอเกิดมามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคน ใจเราก็จะไม่ทุกถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่นั่นเนแต่ถ้าเราไม่คิดเลยไม่เตรียมตัวเตรียมใจเลยว่าเราจะต้องเจ็บต้องตายเนี่ยพอได้ข่าวว่าเป็นมะ เ, เร็งลมตายไปซะก่อนน่าใจใจล้มพุบไปเลยร่างกายยังไม่ทันตายเลยใจหมดกําลังใจที่จะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะใจจะไม่ไม่หมดกําลังใจใจบอกจะอยู่ไปจนทั่งลมหายใจอันสุดท้ายถ้ายังไม่ตายก็ทำอะไรได้ก็ทําต่อไป รักษาได้ก็รักษาไปหายก็ดีหายไม่หายก็ดีเราไปบังคับมันไม่ได้ขอเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ก็แล้วกัน คำถามจากทาง Facebook คุณรสตนันค่ะลูกเห็นความคิดตัวเองตัดสินคนอื่นในใจเวลาผัดสะกระทบทางหูเวลาคนมาคุยด้วยหรือเวลาไปคุยกับใครตอนนี้เลยไม่อยากคุยกับใครเลยครับบางทีก็เหนื่อยที่ต้องระวังจะตอบเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเป็นทุกข์ดูต้องฝึกสติขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ก่อนจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราพูดแล้วทาให้เกิดความเสียหายหรือกิดประโยชน์ เ้าพูดไปแลาวทำให้เสียหายทำให้คนอื่นเขาทุกข์หรือเสียหายก็อย่าพูดดีกว่าคำถามจากทาง Youtube คุณบดินค่ะในห้วงที่ความโกรธเกิดขึ้นอันเหตุจากคำพูดของผู้อื่นเหตุใดเราไม่สามารถระงับอารมณ์โกรธได้จนเกิดเป็นการตอบโต้อขอเขากลับไปเมื่อผ่านเหตุการณ์นั้นไปจะเริ่มรู้คิดได้ว่าเราไม่ควรตอบโต้ครับเราไม่ฝึกสติฝึกสมาธินั่นเอง ถ้าเราค่อยฝึกสติเราจะรู้เวลาที่เราโกรธขึ้นมาแล้วถ้าเรานั่งสมาธิเราทําใจให้นิ่งได้เราก็จะหยุดความโกรธได้โดยที่ไม่ต้องไปมีการแสดงอาการต่างๆออกไปทางร่างกายคําถามจากคุณชาตรีค่ะเมื่อละอุทธะด้วยสมาธิได้แล้วจะก้าวเข้าสู่อวิชชานั้นเป็นอย่างไรครับแล้วสามารถละอวิชชาได้อย่างไรครับอวิชชาคือการไม่รู้ความจริง เช่นวันนี้เรามาแก้อวิชาด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมรู้ความจริงว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรและการที่จะทำให้ความทุกข์นั้นหายไปทำอย่างไรอันนี้เป็นวิชาดับอวิชชาด้วยวิชาวิชาวิชาที่จะดับอวิชชาได้ต้องเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นวิชาทางโลกดับไม่ได้เรียนวิศวะนี่ดับอวิชชาไม่ได้เรียนหมอนี่ดับอวิชชาไม่ได้ เรีย น, นสาขาไหนก็ตามในโลกนี้ดับวิชาไม่ได้มีสาขาเดียวเท่านั้นที่จะดับวิชาได้ก็สาขาพุทธระพุทธศาสนาเท่า น, นั้นหม ด, ดแล้วเลยมีใครอยากจะถามไหมยิญถามได้นะเพเดี๋ยวเราเลิกแล้วก็จะมาถามทีหลังจะไม่สะดวกตอบอาคาประจำวันนี้มีคำถามหรือ่าเข้ามาต้องเชิญอะไรนี้ <laughs> เกรงใจนะทำ่แล้วคเกรงใจแล้วค่ะที่เดียวที่ว่าเป็นวิทยาทานก็เลยเป็นธรรมทานก็แล้วกันเราถามคำถามเราก็เราก็จะได้คําตอบคนอื่นก็จะได้ทําคําตอบด้วยก็เป็นธรรมทานไปค่ะ อ, อมีมีบางบางสถานที่อะค่ะที่ ญาติโยมทั้งหลายค่ะเขาไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่จะถวายของแด่พระสงฆ์ค่ะก็จะมีพระพิสุสงฆ์ท่านสอนว่าให้อัญเชิญเทวดาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมาร่วมถวายด้วยอันนี้เทวดาท่านมาจริงไหมคะก็เห็นหรือเปล่าล่ะไม่เห็นค่ะแต่ว่าบางบางศาสตร์วิชาเขามีวิชาหนึ่งที่เรียกวิชามโนค่ะมโน ก็คือสามารถเห็นทางจิตทางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอยมันเป็นของที่ไม่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปมันต้องได้สมาธิที่เรียกอุปจรัสสมาธิตังจะมีตาทิพย์ได้ที่เขาพูดกันอย่างนี้ก็พูดตามความเชื่อถูกสอนมาให้ทำอย่างนี้ก็ทำไปแต่ตามหลักคำสอนแล้วไม่จาเป็นจะต้องไปเชิญใครมาเพราะไม่เกี่ยวกับเขาอะเชิญเขามาทำไมเชิญแล้วไม่ให้ของเขา้าเข้ามาทำาให้เสียเวลาเอ้ ถ้าจะเชิญเข้ามาก็ต้องมีขอให้เขาด้วยเลยก็ก็ถ้าเชิญมาเหมือนกับว่าเทวดาเหล่านั้นก็จะได้ร่วมบุญกับผู้ที่ทําบุญนะคะ อ, อ๋อเทวดาก็เป็นเศรษฐีบุญอยู่แล้วเขาไม่บุญมากกว่าบุญที่เราจะให้เขาไปงั้นเขาไม่ไปเชิญเศรษฐีร้อยล้านมารับเงินร้อยร้อยบาทนี่เขาจะมาหรืเปล่าไม่เสียเวลาเขาเปล่ายังไม่มีทางว่าเทวดาที่จะมารอรับบุญจากพวกเราไม่มีทางมีแต่พวกเปล่าเท่านั้น พวกขอทานทางจิตวิญญาณพวกนี้เขาเรียกวพวกขอทานทางจิตวิญญาณพวกนี้ไม่ต้องเชิญก็มาเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะแค่ <c oughs> นี้ก่อนเจ้าค่ะคิดยังไม่ออก <c oughs> อมีการอยากจะถามไหมไม่มาอ่ะเดี๋ยวก็มาได้เลยเชิญ นามัสสการ์พระอาจารย์นะครับผมอยากสอบถามว่าคือตอนนี้เวลานั่งสมา ธ, ธิผมจะจิตไม่นิ่งก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะมีพลังสติมากๆเนี่ยผมอยากจะเริ่มจากสมา ธ, ธิโดยใช้อิธิบาสีได้ไหมครับถ้าเราใช้อิธิบาสีเนี่ยกิจกรรมอะไรเราควรที่จะเอามาเพื่อฝึกอย่างเช่นถ้าจะใช้วิญญาสมา ธ, ธิอย่างนี้ครับ กิจกรรมอะไรควรจะเอามาฝึกตรงนั้นหรือว่าจิตตะสมาธิเนี่ยต้องเอากิจกรรมอะไรมาฝึกอะสติไงฝึกสติแล้วต้องเป็นกิจกรรมประเภทไหนครับพระอาชารก็ เ, เลยควายในใจพุทโธพุทโธไปทั้งวั น, นก่อนทีน่จะมานั่งสมาธิเราก็ต้องทํากิจกรรมทางสติก่อนเพราะสติเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาอย่าเราต้องระลึกถึงพุทโธพุทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุทโธไปจกกนกระทั่งถึงเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิเราก็พุทโธต่อได้เลย แล้วจิตก็จะนิ่งเพราะจิตถูกพุทโธคอยควบคุมความคิดเอาไว้ถ้าเราไม่ควบคุมความคิดเลยพอเวลาเรามานั่งมันก็คิดเรื่อยเปลือกไงงนั้นเราต้องเจริญสติก่อนใช้ใช้ใช่ที่บาศีกับการเจริญสติก่อนแล้วพอมานั่งเราก็เราก็จะได้สมาธินั่งบ่อยๆแล้วก็แสดงว่ามีอิทธิบาทศีในการนั่งสมาธิแต่จะนั่งสมาธิได้ได้ผลได้ความสงบก็ต้องเจริญอิทธิบาศศีในการเจริญสติก่อน งั้นตื่นขึ้นมานักปฏิบัติทุกคนนะถ้าเป็นพระนะเขาจะเจริญสติกันก่อนเนลื่นตาขึ้นมาแล้วพุโทโธก็ได้หรือเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายไปก็ได้ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่กับงานที่เรากําหนดไว้พุโทโธก็ได้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้แล้วพอมานั่งสมาธิเราก็จะมีสติ พอมีสติแล้วนั่งเฉยๆเดี๋ยวจิตก็รวมเป็นสมาธิได้พระจ้าครับแล้วอย่างถ้าจะเริ่มอย่างง่ายๆเป็นแบบทั่วๆไปอย่างเช่นเราวาดรูปให้ใจเริ่มจากสงบจากการวาดรูปก่อนก็พูดโอยไปด้วยไงวาดไปก็พูดโอยไปด้วยอย่าเล่อยวาดไปบางทีมันจินตนาการคิดว่าดรูปนี้เป็นของใครเป็นใครทําอะไรมันฟรุงแต่งไปเรื่อยๆจิตถ้าไม่มีอะไรคอยควบคุ ม, ม นั้นทําอะไรก็ทําไปแล้วแต่มีพุโทโธกํากับใจไม่ให้ไปคิดเรื่องหนึ่งเราก็ให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่โดยใช่กําลังทําอะไรอยู่แล้วถ้ามันอยากไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ใช้พุโทโธดึงกลับมาครับอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องหนึ่งให้อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องงานที่เราทําอยู่แล้วก็มีพุโทโธคอยควบคุมไม่ให้มันไปคิดเรื่องหนับงลองทําดูไม่ง่ายไม่ยากหรอกรรทําไปปั๊เดียวบางทีก็นั่งสมาธิได้เลย ขอบคุณครับเครลรับอยู่ที่การมีสติอย่างต่อเนื่องไม่เผลอไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆอยู่งานที่เราทำไปเรื่อยๆขอบพระคุณครับอถามต่อไหมถามได้ <c oughs> วันนี้ชอบถามดีระหว่างการเจิอสตินะคะจะมีการดูใกล้กับพุทธโธแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนดีกว่ากันคะลองดูสิ <c oughs> <c oughs> ไม่ยากเลยการปฏิบัติมันต้องมีการทดลองกันเหือขับรถเนี่ยเวลาไปซื้อรถเราก็ลองรถคันนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปลองอีกคันนึ่งมาดูคันไหนดีกว่ากันแล้วก็อาคันที่ดีกว่าเหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันสติก็เหมือนกันบางทีพุโทโธบางเวลาพุโทโธก็ดีบางเวลาไม่ดีก็เปลี่ยนมันเป็นลมก็ได้หรือถ้าเรามีการเคลื่นอนไหวก็เฝ้าดูการเคลื่นอนไหวของร่างกายไปเช่นเวลาเดินจงกรมก็ดูการเคลื่นอนไหวของร่างกายไปดูที่เท้า ซ้ายขวาซ้ายขวาไปค่ะแล้วทําไมบางวันมันมันไม่เหมือนกันคะวันนี้สามารถดูลมได้บางวันดูลมไม่ได้เลยต้องไปพุโทโธแล้วบางวันก็พุโทโธไม่ได้ก็ต้องไปดูกายดูอะไรก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนคือเหมือนแบบตอนท<อ>ี่เราเริ่มตน้ตอนอย่างตอนที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเราตื่นขึ้นมาตั้งสติมันก็จะดีไปทั้งวันถ้าตื่นขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันคิดเลยนี่มันก็เดยวมันก็ไม่มีสติคมไปทั้งวันอ๋อเจ้าค่ะดูที่จุดเริ่มต้นของัแต่ละวัน ยังสอให้เริ่มตั้งสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก่อนอ๋อใช่มีส่วนเจ้าค่ะนั่นแหละพยายามตั้งสติตั้งสรัทธาทิฏฐามาตย์แบนี้ตื่นขึ้นมาจะตั้งสติก่อนก่อนที่จะไปคิดถึงเรื่องอะไรให้มีสตินี้อยู่ก่อนเหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นอารมณ์แรกใช่ไหมคะพระอาจารย์อารมณ์แรกถ้าเรารักษาได้มันก็จะมันก็จะเย็นไปเรื่อยถ้าไม่รักษาปล่อยให้มันร้อนขึ้นมามันก็ร้อนวุ่นวายไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยอ๋อใช่เจ้าค่ะนะ แล้วอีกหนึ่งเลยไหมค ะ, ะสมมุติว่าถ้าเราพยายามที่จะแบบเหมือนปฏิบัติแต่ว่ามีคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันกระทบอ่ะเราหยุดที่จะเอาสัญญาอารมณ์เหล่านั้นนำมาให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าท่านจะมาทางนี้ต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์อย่าไปฟังคนอื่อยคนเนื่อไม่รู้เรื่องหรอกคนเหนื่อ น, นี้มีแต่กิเลสทั้งนั้นถ้าไปเชื่อเขาแล้วก็แล้วก็เป็นเหมือนเขาสิ เขาอยากจะเปห เ, ะเหมือนเขาแลเหมือนเหมือนกับพระพุทธเจ้าอ่ะถ้าเชื่อพระอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ใครจะว่าอะไรที่ขัดกับคําสอนของพระพทเจ้าก็ไม่ต้องไปสนใจแสดงว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ความจริงพระอาจารย์แต่ว่าบางอย่างเขาก็เหมือนมีฤทธิ์มีอะไรนะเจ้าค่ะนั่นหลุดจากเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอแต่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ยังมีกิเลสแต่ว่ามีฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ดีนี่ก็เป็นกิเลสได้ ฤทธก็เป็นเครื่องมือของกิเลสได้ฉั้นอย่ามีลทธิ์จะดีกว่ามีมีลทธิแล้วบางทีหลงหลงในตัวเองว่าคูตัวเองเก่งนี่ก็เป็นความหลงละถ้าเก่งจริงคุณต้องไม่ทุกข์สิถ้ามึงยังทุกข์อยู่แสดงมึงยังไม่เก่งจริง okay. Okay, โอเคโอเคเจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะอ่ามีคําถามเข้ามาหรือเปล่าอเชิญเข้ามาเลยจา้า จะเชิญเข้ามาทางด้านหลังนี่ใ ห, ให้พิธีกรช่วยอ่านให้ฟังแม่ชจากอะไรปะเต้มีการถามได้เลยค่ะคุณแม่ต้องการให้แม่ชีศึกไปเพื่อช่วยงานและดูแลท่านเนื่องจากท่านอายุมากแล้วแต่แม่ชีไม่อยากศึกออกไปทางนั้นจะถือว่าเราไปลูอากาอักตันยูใหม่คะที่ไม่ดูแลแม่ วงเล็บแม่ยังสุขภาพดีและมีพี่ชายช่วยงานอยู่ค่ะก็ดูแลท่านในขณะที่เป็นแม่ชีก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องศึกไปให้ไปช่วยก็ไปดูไปช่วยช่วงไหนที่ท่านต้องการให้เราช่วยเราก็ไปช่วยท่านก็ได้คือพระคุณของแม่ก็มีพระคุณกับเรามากพอถ้าไม่มีแม่เราก็จะไม่สามารถมีร่างกายนี้ได้ไม่สามารถมาเป็นแม่ชีนี้ได้ งั้ก็ลองต่อลองดูเถอะแม่บอว่าแม่ขอขอหนูเป็นแม่ชีแล้วมาช่วยช่วยช่วยบางช่วงได้ไหม <S <S แม่ต้องการให้หนูพาไปแม่โรงพยาบาลหรืแม่ต้องการทําอะไรที่แม่ทําไม่ได้ก็บอกหนูหนูก็จะมาช่วยอก็ลองต่อลองถ้าไม่ได้จริงๆก็สึกก็ได้เราก็ยังรักษาศีลในใจของเราได้อยู่เรานั่งสมาธิในเวลาที่ว่างได้อยู่ อาตมาก็มีลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงที่ไปดูแลแม่เขาก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ต้องเป็นโกนหัวไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้เขาก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมในช่วงที่เขาว่างจากการดูแลพ่อแม่เขาหน้าที่ดูแลพ่อแม่ก็หาอาหารให้เขากินใช่หมช่วยเขาซักเสื้อผ้าช่วยเขาทําความสะอาดบ้านพอมีเวลาว่างเราก็ไปนั่งสมาธิของเราเราก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมของเราได้ครับอย่น ก็ต้องถือว่าพ่อแม่มาก่อนแล้วถือว่าเป็นบุญเป็นบุญที่ได้รับใช้พ่อแม่เป็นบุญที่ที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับได้ทาบุญกับพระอรหันต์องก็ต้องถือว่าเป็นโชคของเราวาสนาของเราที่เราได้มีโอกาสได้เลี้ยงดูพ่อแม่เพราะถ้าเราทอดทิ้งท่านแล้วไปบวชนี้จิตมันจะไม่สบายไม่สบายใจแล้วมันจะเป็นอุปสรรคมันจะมันจะปฏิบัติไม่ก้าวหน้าแต่ถ้ามันได้รับใช้คุณของพ่อแม่ก่อน ก็กระทั่งพ่อแม่จากไปแล้วทีนี้ใจมันจะโล่งใจมันจะเบาใจมันจะสบายไม่มีอะไรมาข้างๆอยู่ในใจ <c oughs> ยกดูภาโนนเป็นตัวอย่างภาโนนรับใช้พระพุทธเจ้ายี่สิบกว่าปีด้วยกันไม่ได้ไปปฏิบัติเองเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้บรรลุทำขั้นสูงเลยแต่พอหลังจากพระเจ้าจากไปไปปฏิบัติสามเดือนก็บรรลุเป็นท่ออาฐานได้ อยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าก็ได้เรียนรู้อะไรจากท่านเยอะแยะพอไม่มีท่านแล้วก็เอาความรู้ที่ได้เรียนรู้นี่มาใช้ปฏิบัติมันรู้ได้ภายในสามเดือนฉะนั้นอย่าทอดทิ้งพ่อแม่อันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญ <c oughs> เรายังสามารถปฏิบัติได้ถึงในขณะที่เราดูแลพ่อแม่เองอาจจะปฏิบัติไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยแต่มันก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้พัฒนาไปไเรื่อยๆ เพรนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราต้องเป็นแม่ชีเท่านั้นถึงจะได้ปฏิบัติการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นนักบวชแล้อไม่เป็นนักบวชอยู่ที่ใจว่ามีสติหรือเปล่าทำใจให้มีสติทำใจให้นิ่งให้สงบได้หรือเปล่าทำใจให้ปล่อยวางด้วยปัญญาได้หรือเปล่าท่านั้นเองโอเคนะเข้าใจหรือยังนะโอเคดีไหม มีท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่ถามเรื่องว่าอยากบวชชีเป็นกิเลสหรือเปล่าถามต่อว่าต้องรับผิดชอบลูกกับแม่ยังออกบวชชีไม่ได้ต้องวางกําลังใจแบบไหนเจ้าคะจะได้ไม่เป็นทุกข์ก็บป็นชีทางใจไปก่อนรักษาสิ่เท่าที่เราจะรักษาได้ข้อไหนที่ยังรักษาไม่ได้ก็ก็ผ่อนไปก่อนข้อไหนรักษาได้เราก็รักษาไปมีเวลานั่งสมาธิก็นั่งไปเจารันสติได้ทั้งวันไม่ว่าจะเป็นชีหรือไม่ได้เป็นแม่ชี อยู่วันหรืออยู่ที่ไหนก็จเจริญสติได้ตลอดเวลาโอเคหมดแล้วยังมีหลายคำถามจ้กค่ะ อ, อีกคำถามเดียวแล้วกันนะ อ, อีกสองคำถามวันนะี้เดี๋ยวเวลานิดหน่อยค่ะคุณมาเสเอะนึกพุโทโธแต่ฟุ้งไปด้วยแก้อย่างไรคะเราพุโทโธไปเรื่อยๆที่มันเมื่อที่มันฟุ้งเพราะยังพุโทโธไม่มากพอพยายามคันขยานพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือจะให้มัน ยาวขึ้นก็ใช้ส่วนบทอิติปิโสไปบ้างก็ได้มันีิพุโทโธมันสั้นไปแนละ้วมันรู้สึกมันจะไม่มีกําลังพอก็ส่วนอิติปิโสไปสวนน้อยจบก็ได้สวดไปเรื่อยๆส่วนไปจนกว่ามันจะหายฟุ้งคําถามจากคุณสมศรีค่ะวันที่เดินจงกรมเยอะหลายรอบเวลานั่งสมาธิมีผลดีสงบกว่าเดิมการเดินจงกรมซับพอร์ตการนั่งสมาธิให้ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ถ้ามีสติในการเดิน ถ้าไม่มีสติเดินเหมือนช้อปปิ้งอะไรก็ไม่มีเวลาเดินต้องมีสติอีู่ว่าการเดินอย่าปล่อยให้ใจคิดเนะเป้าหมายก็คือหยุดความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บทละนาคให้นี่ก่อนนะสำหรับวันนี้โอเคก็ขอให้ท่านโยนนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถิด